วิธีสละพระห่มที่เป็นนสิสกีสลัดแก่สงภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงหอมบุตราสง์ชูยังบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แกพรนสานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าผ้าห่มบางเพื่อ น, นี้ราคาเกินสองกังสาครึ่งดิฉันขอมาเป็นนสิสกีดิฉันขอสละพระห่มบางเพื น, นี้แก่สงครั้นสลัดแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติ พึงคืองพระห่มบางที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้าห่มบางเพืนนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนผ้าห่มบางเพืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปอมอุตราสง์ชีวยียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษา นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละพระห่มบางพื้นนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลา ย, ย, ismus, ร ย, าาลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนพระห่มบางพื้นนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งห่มอุตราสงค์ชูยังบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละพระห่มบางพื้นนี้แก่แม่เจ้า ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติดิฉันคืนผ้าของบางพื้นนี้ให้แก่แม่เจ้า